อย่ที่ท่านสอนหลกอวิชชาปัจจยาสังขาราประโยคนี้นะเขาขยายความออกมานะ้วมีขั้นตอนที่จิตดำเนินทั้งหลายขั้นตอนมีความไม่รู้นะก็เลยไปหลงรักหลงยึดถือในใกายในใจปหลกงยึดถือนะไปหยิบช่วยเอากาเอาใจมาเป็นตัวเราของเราแนละ้วก็เกิดความจงใจเกิดความอยากนะเกิดความอยากจะให้มันดีให้มันสุข มีความอยากแล้วมันก็เลยเกิดการดิ้นรนทางใจความอยากก็คือตัณหาอุปาทานความดิ้นรนทางใจเขาเรียกว่าภพปฏนะิจจสุบาทมันหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาหน้าที่เราปฏิบัติก็ค่อยๆเรียนรู้ปฏิจจสุบัทไปปฏิจจสุบัทเป็นธรรมะที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งนะก็คือการอธิบายอริยสัจอย่างละเอียด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 เราจะต้องเรียนเรื่องปฏิจจสุบาทให้ได้ทั้งวันหนึ่งต้องเข้าใจให้ได้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดละของง่ายๆนะมาหลอกหลงพ่อให้สนใจไม่ได้นะต้องธรรมะยากๆเนะี่ถึงจะดึงความสนใจได้อยากให้มาดูกายเนี่ยโอ้ยหมูมากเลยดูแป๊บเดียวก็ระเบิดแล้วไม่สนุกนะครมาดูจิต ด, ดูใจนะโอ้สนุกไม่รู้หรอว่าการที่หัดตัวจิต ด, ดูใจนะเห็นปฏิจจสุบาทได้นะ ปฏิจจสุบัติเป็นเรื่องกระบวนการทํางานในใจเราทั้งนั้นเลยนะจนกระทั่งออกมายึดรูปยึดนามมีรูปมีนามมีมีวัตถุร่างกายอะไรขึ้นมาอาศัยใจเป็นตัวทํางานมาก่อนพอศึกมาแล้วก็ไปเที่ยวหาหนังสือของท่านพุทธทาสมาอ่านนะมีเรื่องปฏิจจสุบตัติเล่มเล็กๆท่านก็อธิบาย12ขั้นตอนอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ สังขารก็คือเจตนา3อย่างวิญญาณก็คือปฏิสนธิวิญญาณนันหนึ่งกับวิญญาณที่เกิดขึ้นขณะที่มีผัสสะาตาหูจมูกลิ้นไก่ใจมีวิญญาณรูปนามคืออะไรรูปนามอาธิบายรูปนามขันหนแล้วก็สลายตระหอธิบายมีตาหูจมูกลิ้นไก่ใจอธิบายเป็นทอดทอดทอดเป็นอธิบายสับไป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 ให้จิตสงบเรียกรูปประราคะพอใจในความสงบจากการเพ่งรูปบางคนเพ่งนมามธรรมเพ่งความว่างเพ่งจิตเพ่งความไม่มีอะไรเลยอะไรนีนะ้ก็มีความสุขมีความพอใจในการเพ่งของไม่มีก็ เ, เรียกว่าอารูุปราคานะเนี่ยมันจะมนะีเป็นรูปประพบอารูปประพบนะกา ม, มาวัจจรแล้วก็รูปประภูมิอารูปประภูมินะ ในใจมันจะหมุนหมุนอยู่ในภพภูมิต่างๆเวียนว่ายตายเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดยังไงเดี๋ยวจิตเขไปจับอารมณ์ที่ดีนะก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวจิตไปจับอารมณ์ที่เลวก็เป็นภพที่เลวในใจเราเนี่ยเกิดเกิดตายตาวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเคยเห็นยังเห็นไหมว่าเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีในใจเราปเดี๋ยวก็ร้ายใช่ไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนไปเรื่อยเลย เดี๋ยวก็หลงกับโลกเดี๋ยวก็อยากเข้าวัดอีกแล้วนะอยากภาวนามาภาวนาได้นิดหน่อยคิดถึงที่บ้านนะเดี๋ยวก็อยู่บ้านอยากมาฟังเทศอุตส่าห์ตื่นมาตีส4มตีสก็มีนะมาฟังหลวงพ่อโปรโมทเทศนะครั้งแรกที่หลวงพ่อเทศตั้ง8ปดโมงครึง่งนะเราก็ต้องตื่นเร็วๆอยาอยากฟังเทศมากเลยพอถึงเวลาฟังเทศได้เวลาง่วงพอดีเลยนะรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่า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 สุดท้ายไม่จะเห็นนะว่าพบทั้งหลายเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยแนละ้วพบที่ดีก็ชั่วคราวพบที่ชั่วก็ชั่วคราวนะแล้วพบเปรดก็เปรตชั่วคราวเป็นสัตว์เดรัจฉานมีโมหะมากก็โมหะชั่วคราวจะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลัจจ์เนะีเป็นอสุรกายขึ้นมาก็เป็นชั่วคราวหรือเป็นมนุษย์มีศีลรำมีศีลห้าอยู่เป็นมนุษย์ก็มีศีล5้าชั่วคราวถ้าศีลแหบ่งไปก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว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 กระทั่งคนไทยก็ไม่ค่อยได้ฟังทำแท้ๆนะก็จะฟังแต่บางส่วนส่วนมากพระก็จะสอนให้ทำทานให้ไรเนี่ยททานยิ่งโยมทำทานมากก็ยิ่งชอบเนาะก็ได้รับสักการะได้ไรเรื่องศีลสอนให้โยมตือศีล เ, เรื่องนั่งสมาธิสอนให้ทำใจสงบนะแล้วพอถึงเรื่องปัญญานะ่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟัง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 แถมเห็นต่อไปอีกว่าไม่มีอะไรกระทบนะสัญญาผุดขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนได้นะนึกถึงคนนี้ขึ้นมานะเกิดรักนึกถึงคนนี้ขึ้นมาเกิดเกลียดนึกถึงคนนี้แล้วห่วงหาอาบอนหายไปไหนไม่เจอตั้งนานแล้วไม่เจอตั้ง12ชั่วโมงแล้วนอันนี้พวกที่ตกลุ่มรักใหม่ๆนะโอ้ไม่เจอตั้ง12ชั่วโมงใจจะขาดแอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาเหมือนคนรุ่นโบราณหรอก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 ดังเราสํารวจใจของเราทุกวันทุกวันนะศีลเราดังพลอยไหมถ้าศีลดังพลอยนะก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับไปเป็นคารวาเนะ่ยถือศีลให้สะอาดหมดจดจริงๆทําได้ยากทําไม่ได้หรอกนะก็ต้องกระพร่องกับแรงบ้างแต่ก็เพราอว่าะแกล้งแล้วก็รู้นะว่านี่ทําไม่ถูกนะในใจต้องรู้ไว้ก่อนว่านี่ทําไม่ถูกหรอกรู้ว่าทําไม่ถูกนะมีทางไหนที่จะไม่ต้องทำก็ค่อยๆปรับไปยากมากเลย เรือข้าศีลข้อสีอส่ถือยากมากเลยนะเมื่อวานอย่างเทศที่วัดบอกว่ามีพระท่านเดินจงกรมอยู่ผู้ร้ายวิ่งหนีตำรวจมาตำรวจถือปืนถือมีดจะมาไล่ฝันผู้ลายหนีแว๊บบปพระเนี่ยท่านย้ายที่เลยที่แรกเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเจ้าหน้าที่ตามมาถึงนะ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 ทำงานเราเป็นข้าราชการผู้น้อยเอจ้านายมันสั่งว่าใครโทรมาถึงพี่เธอบอกเลยนะว่าพี่ไม่อยู่ไปไประชุมใครคยเจอแม้อย่างนี้เวรได้แท่ด้วยเราอเอ้าแล้วเหรอเราอุตส่าห์ถือศีล น, นะสมาทานศีลตั้งแต่ตื่นนอนรักษาของเรามาเรื่อยๆพอเขาโทรมาขอให้เป็นเรื่องอื่นถามว่าคนนี่อยู่ไหมเอาเ็าแล้วสินเนาะแล้ก็ห่างๆเลยพี่เขาสั่งให้บอกว่าไม่อยู่ครับ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 อันตรายมากเลยถ้าเมื่อไหร่หวงของพุทธเจ้าขาดไปไม่มีพระสึบช่วงนะต่อไปเวลาเราภาวนาถึงขั้นละเอียดเนี่ยเราจะภาวนาไปไม่ได้เพราะว่าเพศของพระเท่านั้น่ะหรือเพศของฉีนะในยุคนี้นะมันเหมาะกับการภาวนาเพศคราวาสเนี่ยไม่เหมาะกับการปฏิบัติในขั้นละเอียดแตขั้นต้นๆโสดาสกตตาฆราวาสก็ทาได้นะแต่ขั้นละเอียดเนี่ยทำทำยากมากเลย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 ใจมันก็คอยนึกนะเมื่อไหร่เราจะได้บวชถ้าแปลอีกทีเมื่อไหร่พ่อจะตายดูไปดูมามันน่าเกลียดหมถ้าจะบาป <c oughs> เลยไปชวนพ่อไปอยู่วัดด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อก็ดีนะเยพ่อรู้ว่าเราอยากบวช ไ, ไปอยู่วัดจะไปตายที่วัดได้ตายที่วัดได้อยู่ในแวดโงแต่เวลาออกบวชแล้วนะหพ่อสบายใจ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 ถ้าตัวปลอบนะมันจะดำๆนะไม่ใช่ผิวนะถ้าตัวดำดำก็มีนะหน้าตามันจะมองๆนะหน้าตาเหมือนปรารถนามาจากลิงใหม่ๆอะไรง้นดูไม่ค่อยจะได้บางองค์ทั้งเหียวทั้งแก่นะแต่ดูสดใสนะเข้าใกล้แล้วร่มเย็นเป็นสุขถ้าเข้าใกล้แล้วร้อนนะโดยเฉพาะถ้ากระเป๋าร้อนนะออกห่างไว้เลยนะ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 ถ้าอย่างนี้สมัยโบราณวิครูบาอาจารย์จะกระดีกระดาเลยหายากมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เยอะแล้วเราแยกธาตุแยกขันได้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นถ้าตุเห็นขันทํางานไม่มีเรากนะ็เห็นเหมือนที่เห็นกระบวนการของปฏิจจสมบัทนะั่นแหละนีมันทํางานไปตามกระบวนการของปฏิจจสมบัติแต่และกระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่มีคนไม่มีสัต์ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนใช่ไหมความอยากก็ไม่ใช่คน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 ครูบาอาจารย์สอนสอนสืบทอดกันมาแล้วหลุดไปได้นะมีความสุขมากเลยหลวงปู่สุวัสดิ์ก็เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านต่าวนาแล้วก็ท่านก็หยิบสวยจิตนะกว้างลงเหวไปเลยทนะ่านบอถอนเหมือนถอนหญ้าเลยนะเหมือนถอนขึ้นถอนจากอุปาทานนะถอนขึ้นแล้วกว้างลงเหวไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านอะมีความสุขมหาศาลอยู่ปีกว่า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 ตอนท่านใกล้จะสิ้นขึ้นไปกราบท่านนะท่านนอนแบบแบบอยู่มีความสุขนันบอกมีความสุขแก่ก็มีความสุขเจ็บก็มีความสุขจะตายก็มีความสุขนั่นเราเรื่องอะไรชีวิตต้องจงความทุกข์นี้รันดอนนะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราไปนะหลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วละ ว, วันนี้เลยสอนราย ล, ละเอียดน้อยหน่อยนะอา้าเชิญส่งกันบ้านกรบาบธรรมสวรรค์ของพ่อครับ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 วิสูตคําสอนของพ่อนะครับโดยการปฏิบัติแบบอกกิจด้วยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้เห็นจิตออกมาเซวียอารมณ์ก็เกิดปิติมากนะครับก็เห็นเขาพูดกันว่าในซีดีของพ่อปะมันเป็นโรงงานมันเป็นอะไรกนแ้วแต่นะฮะก็ก็ไม่เข้าใจแต่พอลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วเข้าใจว่าจิตเนี่ยออกมารับอารมณ์เป็นระยะระยะ mm hmm.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 พอใจตอนเย็นก็นั่งสมาธิใหม่ตอนนี้ไม่แยกครับปฏิบัติทํามไม่เป็นนะครับก็เลยเข้าใจว่านะตามคืออะไรก็กราบขอพวกท่านแล้ก็มีหน้า ท, <ร>ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติเป็นก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นก็ปฏิบัติไม่เลิก <c oughs> ห, หรอกนะพอหนังเราไปด้วยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการคิดนำนะ <c oughs> อย่าไปคาดคะเนล่วงหน้า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 พอสติเห็นกายครับกายก็แสดงใจรักสติเห็นเวทนาเวทนาก็แสดงไตรลักษสติเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็แสดงไตรลักนั่นเราเห็นสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะดูอะไรคือเห็นไตรลักครับนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะไม่ er ไมีสายกายสายจิตถ้าย a. A a. A ังดูกายอยู่เป็นสมถะถ้าดูจิตอยู่เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณของกายของจิตนั่นถึงนี้เป็นมิปัสสนะ ครับหลวงพ่อคร<อ>ับหลวงพ่ อ, พ อ, อ, พ อ, อจากการปฏิบัติเนี่ยก็ทราบว่าอจิตตั้งมันม่นมันคืออะไรออนะฮะ เ, เพราะว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยได้ยินได้ฟังก็ไม่เข้าใจนะครับมันต้องรู้ด้วยตัวเองวออ่ามั น, น, นติดจะมีน้ําหนักของตัวมันเองนะครับมันมีเราจะรู้ว่าจิตแต่มีน้ําหนักมันพอดีนะครับไม่ใช่เฉพาะจิตตั้งมั่นหรอกนะสภาวะธรรมทั้งหมดเราจะรู้จักมันเมื่อเราเห็นมัน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 พ <_: S 2> <_: S 1> อจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวพอจิตไปรู้งานแล้วเนี่ยเชื่อมารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉนั้นะนทํางานจดจ่อแต่งานไปแต่พอขี้เกียจขึ้นมาเบื่อขึ้นมาเนี่ยก็รู้ทันจิตเอาแล้วอตอนกลางคืนตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนนอนตื่นขึ้นมาใหมๆ่ๆก็จะพยายามปฏิบัติตาม<อ>าที่หลวงพ่อว<ล><ด>่าแต่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะคือรู้แต่ว่าคิดเดินจงกรมก็คิดจนผ่านไป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 เยกขันไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างไปอยู่บนเพดานนะอย่างนั้นไม่ใช่หรอกอนี่นเอาไว้ให้รถทับก่อนแล้วก็ขึ้นไปงั้นก็ควรจะดูจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะท่าน้ชงคิดองต้องเพิ่มเวลานะให้มันบ่อยขึ้นการปฏิบัติไม่มีคําว่าเพิ่มเวลาหรอกเราะเปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับค่ะยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะแล้วก็เวลาเราจะพักผ่อนนะแล้วก็ปฏิบัติสมถธิพักผ่อนพอนแล้วเราก็เดินวิปัสสนา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 ชั่วโมงนี้เผลอไม่ใช่นะไอตอนที่เราว่าทํากรรมฐานรู้สึกตัวอยู่นะแอบเผลออยู่บ่อยๆะเผลอแว บ, บเรารู้แว บ, บเรารู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามห้ามเผลอน ะ, ะเผลอแล้ว ร, รู้เผลอแล้ว ร, รู้แบบขอบพระคุณค่ะๆๆมสสาสการเจค่ะโยมปฏิบัติด้วยการภาวนานะเจค่ะออตอนแรกเนี่ยภาวนาพุโทโธก็รู้สึกว่ามันแข็งนะคะ ก็ป เ, เปลี่ยนเป็นลมหายใจก็แข็งอีกก็เลยภาวนาอาหังสัมมามีสิทธิดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็คือเห็นหลงบ่อยบ่อยมากอย่างนั้น<า>ใช้ได้ดีภายใต้ความหลงนั้นเนี่ยก็เห็นความโลภ บ, บาทีหลงไปคิดเรื่องนี้ก็คือโลภโกรธบ้างคิดไปนู่นบ้าง อ, อะไรเนี้ยนะคะโลภหลงโกรธ แล้วก็ตัณหานี่เห็นบ่อยมากความอยากนี่บ่อยมากดีใช้ได้อย่างจะก็ตอนนี้โยมมีอย่างนี้ใช้ได้นะเจ้าใช้ได้ใช้ได้นะคะโยมก็มีมีความคิดว่าจะท่ออะไรต่อไปเจ้าือจะทําอะไรต่อไปหรือว่าทําไปอย่างนี้เรื่องนี้ได้ทําอะไรอีกเราเห็นมาจนถึงเห็นจิตเห็นใจมันทํางานได้แล้วนะก็ดูไปเลยหลวงพ่อเคยไปถามหลวงปู่ดุล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 โยมจับหนูใส่กลงไปทิ้งไปปล่อยเนี่ยเจ้าค่ะ บ, บาปไหมเจ้าคะคือที่บ้านมีหนูเยอะมากแล้วมันกัดของทํำลายของหมดเลยนะเจ้าค่ะ<อ>จับไปสองตัวแล้วเจ<อ>้าค่ะก็บอกว่าแบ่งพื้นที่กันอยู่สิอย่ามาอยู่ในบ้านเราเราไม่เอาไปฆ่าเนาะไม่ฆ่านะเจ้าะะค่ะ ป, ปล่อยปล่อยไปปล่อยก็ดี<ช>ดีกว่าไปฆ่าแต่คิดว่าคงจะไม่จับอีกแล้วอ๋อทําไมล่ะเพราะว่า รู้สึกไม่สบายใจอะเจ้ะเราอยู่กับหนูไม่ได้นะอยู่ไม่ได้คือจับได้แล้วก็ในพระวิในยังมีเลยพปล่อยให้หนูชุมอยู่ในกุฏิไม่ได้นะเอไม่ใช่ท่านบอกให้อยู่ความโศกโรกเห็นว่าเป็นศักด์แต่ว่าเห็นไม่ใช่นะเออมันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ไอ้หนูเนี่ยมันพิสดารคือมันกินได้สารพัดไงลาพังไม่มีอาหารนะมันก็ไปกิน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 ก็ขนาดนั้นะความคิดผุดขึ้นมาซะ ก, ก่อน<ช>นะมันไม่แวกนะกำลังของมรคไม่พอมันต้องเพิ่มอะไรคะหลวงพ่อทำธรรมดานี่แนะหละเพิ่มมากแล้วก็จะฟุงซัานแล้วจะเครียดใช่ๆนะ่อีกสองข้อนะคะหลวงพ่อการการที่ว่าเราภาวนาในรูปแบบแล้วเราเห็นทุกอย่างมันดับไปหมดแล้วก็สติมันลึกรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับลงไปแล้วมันก็แวบขึ้นมานั่แะเห็นเกิดดับ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 เออหนูก็ยังดูใจเคลื่อนไหวดูใจเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะอยากขอแนวทางปฏิบัติต่อไปอยากให้ใจมันซึมก็แล้วกันนะดูด้วยใจกับรี ก, กับเปล่าสดชื่นสบายๆอย่าให้มันนิ่งๆซึมๆเครียดๆนะดูไปสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะขอบคุณค่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะ คือเป็นคนชอบบังคับกดพรมจิตใจตัวเองอะค่ะแล้วจี่นี้นก็เลยแน่นหลวงพ่อบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างถ้ามันไม่ได้หรอกแมัวก็บังคับนะแล้วมันก็ทุกนะบังคับแล้วก็ทุนะกต่อไปมันฉลาดมันก็เลิกบังคับเรอให้ใจมันฉลาดเราเนะี่ยฉลาดก่อนมันมเราก็จะไม่บังคับแล้วยังอยู่ในร่องในรอยไหมคะสมาธิต้องพอนะจิตต้องถึงฐาน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 ครับขอบพระคุณครับกับนบมัสการหลวงพ่อค่ะยมฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าปีแต่เพิ่งส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะในการปฏิบัติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแ<ม>ยะค่ะ<ม>ตั้งแต่เรื่องของเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะ<ม>เห็นเห็นโกลกกดหลงอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ชัดเจนมากขึ้นเห็น<ม><ม>ตั้งแต่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 จนจนถึงตอนนี้มันมั น, ม, นมันก็ยังเสียใจอยู่ให้ให้รู้ทันนะในความเสียใจก็มีความพอใจอยู่มีความสุขผุดอยู่เราก็รู้ทันเอาแล้วมันก็ยิมใจด้วยนะที่ว่าเสียใจเสียใจอ่ะแล้วก็รู้ทันมนดีใจที่รู้มันดีใจที่รู้ะนะแล้วก็เออพยายามที่จะปฏิบัติในรูปแบบแต่ที่นี้เนี่ย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 จิตที่นีไปคือจิตฟุง้งซ่านถ้ารู้ทันปุ๊บจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นด้วยสงบด้วยมุ่งเอาสงบมากไปอ๋อ่ค่ะขอบพระคุณค่ะกลาบหลวงพ่อค่ะคือหนูทาสมาธิไปจนจิตตั้งมั่นนะคะแล้วความตั้งมั่นนะั้นมันก็มีกำลังแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะจน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 พอจิตสงบปุ๊บตัวผู้รู้เด่นอยู่ตัวเดียวขึ้นมาให้เห็นนี่แล้วจิตเขาก็พูดว่าเอาละมึงต่อไปค่ะจิตเ้าพูดไม่พอไม่เป็นไรค่ะเวลาจิตหลงเขาพูดแลมีความมีเว้ยด้วยนะตัวอาการใหญ่มันอยู่นี่อยู่บอกไออาการรู้นี่แหละตัวต้นเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะคะของหนูนะหลวงพ่อให้กันบ้านเลยนะ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 ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับก็ทักประมาณไม่กี่วันนี้เอครับผมป่วยหนักอ <ừ. S 2> แล้วมันตอนใกล้ๆหมดสติอ่ะมันมันน่ากลัวมากวันนี้ผมก็พยายามวิเคราะห์แล้วมีสติอนุมัติแทรกอต่เป็นโชคดีตรงนี้มีสติอนุมัติแทรกขึ้นมาแล้วทําให้วิเคราะห์คือคือคิดเอาอ่ะว่าไอ้ที่มันกลัวเนี่ยเพราะว่าไอความรู้สึก อัตตาตัวตนเนี่ยคือรู้สึกเหมือ น, นว่ามันจะหายไปอพราะมันหายเพราะเอา้าแล้วภาระงานอะไรอย่งเงี้ยเนี่ยนี่นี้คือจุดที่ผมกังวลคืออยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าเรา<ะ>เราจงใจไม่ได้หรอกมันยังรักใครห่หวงแหนอยู่นะถ้าเราเรียนรู้มันมากเข้ามากเข้าก็จะรู้ว่าไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนถึงตอนนั้นใจก็จะไม่เอาเองถ้าใจยังไม่แจ้งเรียกว่าเอาวิชาอย่างอยู่นะ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 เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ครับว่ า, าว ม, มันบอกไม่ได้มันเหมือนคล้ายๆเป็นภาวะไม่รู้ว่าหวยจะถูกหรือจะกินอ่ะไม่ไม่มีการป้องกันที่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นลยครับคือถ้าเมื่อไร่ภาวนานะเป็นมันอาัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องกลัวละเวลานิมิตไม่ดีเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ขอทักอีกสองสามสันๆนะครับ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 แสดงว่าเขายังภาวนาไม่ชํนานาญเราเราจะแนะนำเขาอย่างไรดีครัให้ทุกไปก่อน <c oughs> ทําเหตุอย่างนั้นจะต้องมีผลอย่างนั้นแหละ อ, อครับให้เขาฝึกสติฝึกสมาธิหัดเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าของเขเปลี่ยนสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตาตาวันนี้อีกอันนึงเวลาฟังทำกับสมาชิกฟังท ำ, ท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำดิ้วหลวงพ่อเทศจากแผ่นทีดีนะครับเภาวะที่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 พอยอย่างผมเวลาผมเวลาจิตไหลปั๊บแล้วรู้เร็วๆนะมันจะตั้งอยู่ประมาณสักประมาณวินาทีอย่างมากของคุณมันเป็นพวกปัญญากล้าครับมันไม่ทรงอยู่นานหรอกรแวบเดียวไม่จะไปคิดต่อใช่ครับนั่นแหละเราเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับไปครับใ ช, ใช่ครับครับขอบคุณมากครับนรัสการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้เออเอาจิตบอกว่าลงไปคุกกระทั่งโลกอะค่ะส่งออกนอกแล้วก็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 ยถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนตีสากรังเอวามวายโตทินัางเปตานางอุปะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิเมวาสมิจฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกฟวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังปลังสาธุ